นิสัยที่เปลี่ยนจากเร่งรีบร้อนแรงรอไม่ได้คือนิสัยที่จะนำไปสู่สมาธิอันเป็นสุขที่คุ้มค่าไปทั้งชีวิตความสุขที่เยือกเย็นไม่อาจตั้งมั่นอยู่ในจิตที่แข็งกระด้างอย่างวันไหวแต่จะตั้งมั่นอยู่ในจิตที่อ่อนโยนอย่างเข้มแข็ง ความแข็งกระด้างสะท้อนถึงความฝืนใจอาจเหมือนนิ่งได้แต่ก็อึดอัดอยู่ข้างในและไม่รู้ว่ามากไปกว่าความนิ่งอันอึดอัดอยู่อย่างเช่นการข่มใจไม่แสดงความโกรธแม้ระ ง, งับวาจาได้ก็อดทำตาแข็งไม่ได้และยิ่งไม่มีทางทำใจให้สบายหายคุนคล้องเมื่อข่มใจจนชินจิตอาจฝืนนิ่งอย่างเป็นทุกข์ แต่ไม่อาจาตั้งมั่นอย่างเป็นสุขความอ่อนโยนสะท้อนถึงความเบาใจแม้ต้องทำโน่นทำนี่วุ่นวายแต่ก็ยังสบายอยู่ภายในอีกทั้งตื่นตัวรู้รอบไม่ติดตานอุดอู้อยู่กับเรื่องเล็กเรื่องน้อยจิตเปิดกว้างและแผ่ไปอย่างพร้อมจะมีเมตตาจริงจุมเย็นและโปร่งเบาอยู่กับตัวเองมากพอ ไม่ต้องรอเรื่องข้างนอกมาทำให้พอใจก็พอใจที่จะอยู่กับความเป็นตัวเองจึงมีกำลังมีความอิ่มตัวพอจะตั้งมั่นในที่สุดการเปลี่ยนจิตจากแข็งกระด้างเป็นอ่อนโยนคือการรู้จักให้เพราะอยากเผื่อแผ่ความสุขไม่ใช่แกล้งให้ด้วยการเล็งผลตอบแทน อภัยเพราะเห็นโทษของการเบียดเบียนกันไม่ใช่แกล้งอภัยเพื่อสร้างภาพตามมารยาทใจเย็ยนรอเป็นเพราะหัดนั่งอย่างมีความสุขกับตนเองไม่ใช่แกล้งรอด้วยอารมณ์งุนงานนิสัยที่ปรับเปลี่ยนจากเร่งรีบร้อนแรงรอไม่ได้คือนิสัยที่จะนำไปสู่สมาธิอันเป็นสุข ที่คุ้มค่าไปทางชีวิต